ได้กไรการเจริญภาวนานั้นขอให้คนชมนั้นมีความตั้งใจรวมทองพิสุสงสามเณรพยายามทำเวลานี้ให้มันเกิดมูลค่าของความคิดให้มีมูลค่าของการเจริญภาวนาว่า โอกาสชีวิตเราวันหนึ่งวันเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะได้มาเจริญภาวนาอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพักเปนเนมเป็นแม่ชี <c oughs> มีโอกาสก็มากกว่าคุณโยมถ้ายังขี้เกียจเหมือนคนปกติก็อาจจะน้อยกว่าโยมบางคนสักหยซ้ำ ปัจจัยาโยก็เช่นเดียวกันภลระของกิเลสตัณหาราคะภาระหน้าที่ของเวรกรรมที่จะต้องกากกรรมตรรมาหากินหาเ ก, ก็บกักกรรมกับสามีภรรยาบุตรธิดาทั้งหลายตามปกติแล้วมนุษย์โลกนั้นที่เกิดมานั้น องสมมาสมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอะไรที่มันเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือการกระทําขอยคุณโยมนั้นคงต้องตั้งใจฟังนิดหนึ่งทําไมจึงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่องค์สมมาสมพุทธเจ้าท่านกล่าว กรรมก็คือการกระทำการกระทำของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าอารมณ์ของคนเหล่านั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างจากการปรุงแต่งนึกคิดทุกวันนี้เนี่ยองค์สมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์โลกทั้งหลายเนี่ย รุนแต่ถูกจินตนาการมาจากกรรมใกรกากกรรมสิ่งใดคนก็ต้องมีทุกข์็นสิ่งนั้นกากกรรมสแสวงหาสิ่งนั้น น, นอย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่กากกรรมหาผัวหามเมียผู้ชายก็ต้องสแสวงหาผู้หญิงผู้หญิงก็จะต้องสแสวงหาผู้ชาย ผู้ชายก็ต้องมีจินตนาการตามอารมณ์ที่ชอบเรียกว่าสเปคนั่นเองผู้หญิงก็เช่นเดียวกันก็จินตนาการตามพ่อลูกนามที่เราเต้องการตามนิมิตหมายก็เรียกว่าความสมมตินึกคิดนั่นเองในขณะที่สมมุติและคิด ตางคนต่งนึกต่างคนต่งคิดก็เป็นเรื่องปกติของสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เรียกว่าวัยพุ่งสร้างแต่เขาบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกันตามกรรมการปรุงแต่งนึกคิดเนี่ยหญิงได้มีบุพกรรมบุพกรรมไม่เรียกว่าจะต้องเจเ จ, เจอกัน การเจอเจอของแต่ละคนแต่ละคู่เนี่ยทุกคนต้องจินตนาการคุณโยมเหมือนํังพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็จินตนาการว่าจะต้องไปขอกับครอบครัวนี้ตระกูลนี้เขามีกินมีใช้คนนี้มันสวยคนนี้มันหลอ่อก็จินตนาการจาก จากการดูวิเคราะห์ของปู่ย่าตายายในอันดับแรกๆที่ครอบครัวในสมัยโบราณแต่สมัยนี้ไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องเห็นหน้าจินตนาการทางลายทางโทรศัพท์ทางเฟซบุ๊กต่างๆไม่ต้องดูตัว เห็นหน้านะบอกรักบอกใข้กันง่ายจินตนาการตามภาวะของไอทีความเจริญของโลกแต่ที่ปัจจุบันเราเห็นว่าความรักความรักของมนุษย์โลกในปัจจุบันเนี้ยไม่มีการศึกษาแต่คนละก่อนนั้นไม่มีการศึกษาก็คือการเรียนเรียนรู้นะจบปริญญาตรียาโทมยาเอก ไม่เหมือนคนสมัยนี้มีการศึกษาสูงมีการพัฒนาในการกินการอยู่ในศักยภาพของฐานะเกิดความร่ำรวยมากกว่าสมัยก่อนแต่ความร่ำรวยสมัยนี้เนี่ยมันถูกจินตนาการด้วยราคาด้วยสินค้าด้วยความคิด ว่าบ้านใครมีรถยี่ห้อดีบ้านหลังใหญ่มีแก้วแหวนเงินทองนั้นแสดงว่าร่ำรวยการจินตนาการของมนุษย์โลกสมัยนี้ท่านทั้งหลายที่กำลังเจริญภาวนาก็ค่อยๆจินตนาการใจของตัวเองมองใจของตัวเองในขนาดนี้เนี่ยยิ้มเข้าไว หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรกำหนดไว้ติ่ใจกำหนดอารมณ์ปรุงแต่งที่เคยฟุ้งซ่านทั้งวีทั้งวันเนี่ยดับหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่ลุกพ่อพูดอยู่เมื่อกี้นี้เป็นบุพบ ก, กรรมวิบากรรบกรรมค้อกรรมกรรมเป็นเครื่องชักจูกรรมเป็นเชื่องชี้นำ ให้เราไปสู่สภาวะยินดีและก็ชอบใจก็คือความทุกข์ความเศร้าหมองของชีวิตนั่นเองบางคนเนี่ยกงมองไม่เห็นเลยว่าระยะเวลาวันเดือนปีเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดออกได้ว่าชีวิตเราโอโน้อทำไมกลางวันก็ทำงานกลางคืนก็ต้องทำงานหามรุ่งหามคำ่ำ ทำกันอยู่นั่นแหละไม่รู้วันเดือนปีเดินทองที่หามาได้ก็ไม่สามารถที่จะเหนียวลังเก็บไปได้ลูกคนนั้นใช้บ้างลูกคนนี้ใช้บ้างของเสียหายบ้างพอกินบ้างไม่พอกินบ้างมันก็เป็นเรื่องแป ล, ลกหลวงพ่อก็จะยกตัวอย่างอยู่ชนิดหนึ่งหรือว่าอย่างหนึ่งว่า คนรวยเนี่ยยิงกินน้อยลงนอนมากกินน้อยแล้วก็นอนน้อยคนรวยคนรวยเนี่ยจะต้องมีภาละต้องบินไปโน่นไปนี่มานั่นอยู่ตลอดเวลาวลาทานน้อยเดียวก็อิ่มแล้วเพราะว่ามันจะบอ้วนมันก็แปดไอ้คนที่มีกินเนี่ยจะกินนิดเดียวนะ้มันดันอ้วน ไอ้จนในคนจนเนี่ยผอมก็ผอมตังก็ไม่ค่อยจะมีกินเวลาทานอาหารเนี่ยกินสองชามสามชามกินสัตว์กินนกกินหนูกินหอยกินสัตว์แปลกๆเหมือนเช่นกินงูกินอะไรเนี่ยกินตะขาบแม่งตองนะแล้วเด็กก็เหมือนกัน ไอาทายาทที่มันเป็นคนมีวิบากกรรมที่เกิดมาเป็นคนจนค่อยๆคินตามไปกินเท่าไรมันก็ไม่เพียงพอแต่ไม่เป็นโลกไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ค่อยจะตายซะด้วยทำเงินได้มาก็ไปกินเหล้าไดเงินมาก็มาตาบตีทะเลาะบอกแงกับครอบครัวนี่คนมีวิบากกรรม กรรมคนเรานั้นมีหลายระดับเหมือนนิ้วมือนิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง น, นิ้วก้อยกรรมเนี่ยมันอยู่ข้างบนข้างกลางข้างล่างเราอาจจะไม่มองเห็นการนึกคิดตกแต่งของมนุษย์คือสัตว์โลกนั่นเองเรามองเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยที่ากา่อกรรมมาทั้งชีวิตเนี่ย เขาได้อะไรไปบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยอยู่ถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีกากำทำงานคิดเครียดกันมาตลอดชีวิตตายแล้วก็ไม่ได้อไปไม่ได้มีอะไรติดตัวไปเลยก็มีแต่ลูกห ล, กลานๆพอตายแล้วก็ได้รับทรัพย์สมบัติเก่อไปเพราะนั้นหลวงพ่ออยากให้เราได้อยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันเนี่ยในขณะนี้เนี่ยพระพิสุทธ์สั ม, มนเนรแม่ชีแล้วก็อุบาสก อ, อุบาสิกาที่มาถือ ศ, ศีลรักษาจิตมาเวียนเทียนในวันนี้ในขณะนี้ท่านทั้งหลายเนี่ยไม่มีความยากลำบากในการกินการนอนการนั่งการเดินการคิดการเครียดเลยในขณะนี้ เป็นบุญมหาศาลในชีวิตและในเวลาแค่ระยะสั้นๆเห็นมหมความดีเนี่ยสวรรค์เนี่ยมันนิดเดียวเองความชั่วที่เราการกรรมคิดมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเครียดบางคนแต่ก็ร้องให้กว่าจะมาถึงวัดเขาอิติโศกโตได้คนบางคนนะไม่เคยมีสติรู้ตัวในการภาวนา ในการรักษาศีลไม่รู้เลยว่าบุญนะั้มันคืออะไรบุญก็คือความว่างเปล่าในขณะนี้เนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยว่างเปล่าจากความโลภอยู่ในองค์ภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยเจตของท่านนะ่ะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธในขณะนี้เนี่ยไม่มีความหลง ไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีจิตที่อิจฉาหรือเสาภาวานานิ้เข้าไว้ลองถามใจตัวเองว่าโอ้เนาจริง่งอย่างที่หลวงพ่อพูดวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราฟุ้งซ่านเนี่ยโดยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเราไปเจอเพื่อนผู้เจอญาติน้อง เจอแก้วแหวนเงินทองที่มันขาดบ้างเกินบ้างเจออาหารเจอรถราที่เดินทางมาเนี่ยความคิดนึกตกแต่งเนี่ยมันเกิดโทสะ ก, ก็คือความโกรธความโลภ ค, ความหลงแทบกว่าจะได้มานั่งในขณะนี้เนี่ยนับรถันทั้งหลายเนี่ยมีกำไรกำไรในระยะเวลาในขนาดนี้ สติของเราแล้วก็มัน่นคงความคิดก็ไม่ฟุ้งซ่านการนึกการคิดก็ยิ้มเขามวาโอ้น่าะเออจริงไว้หลวงพ่อในเดชกับพูดพูดในชัดเจนว่าบุญก็คือความว่างป่าในขณะนี้เนี่ยเรามีทําใจให้ว่างยิ้มเขาม้าวะหายใจเข้าพุทหายใจออกโท มองความรู้สึกของตนเองว่าโอ้เนอะออเราได้เกิดมาทั้งหลายปีอายุกมาวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยสักนาทีหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยมีสติรู้ว่ารู้ตัวรู้ตนเหมือนในขณะนี้วันหนึ่งเนี่ยเราคิดแต่เรื่องงานเรื่องการเรื่องลูกเรื่องเมียรเรื่องผัว เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรถเรื่องทรัพย์สมบัติขัดแยง้งคนนั้นคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้รักคนนั้นเกลียดคนนี้ไม่เคยมีสติรู้ตัวในขณะนี้มาก่อนคืาเรียกว่าตกนรกทางใจคนที่ตกนรกเนี่ยตกนรกทั้งเป็นเาเรียกนะตกนรกทั้งเป็นเป็นๆนั่นก็คือตัวพวกเรานี่แหละยังไม่ตายนี่แหละ มันตกอยู่ในห่วงของเอาเวตี e, ของความคิดเรืองว่ามโทสะบางวันเราก็โกรธซะแล้วเดี๋ยวก็หัวลอ้อเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็จิ้มมีความสุขเดี๋ยวก็หิวหาโ ด, ดเคี้ยวนี้กัดกินเกิงสัตว์ต่างๆนานาไปแล้วก็อึแล้วก็เบาออก อารมณ์แปลปนอยู่ทั้งวี่ทั้งวันไม่เคยได้มีสติเหมือนในขนาดนี้เราก็อธิษฐานใจว่าโอโ๋เนอด้วยบุญกุศลที่มาวัดเขาอินทิสกโตครั้งนี้ในระยะสันส้นๆงูแลบลิ้นช้างกระดิงหูเนี่ยก็คืออยู่ในองค์ภาวนาในขนาดนี้เนี่ยว่าโอโนอะขอให้เกิดบุญก็คือสติ บุญบา ร, รมีบา ร, รมีก็คือมีวาสนาก็คือปัญญาขอให้มีสติปัญญาเนี่ยรู้เท่าธรรอารมณ์ของกิเลส ท, ที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยบางคนเนี่ยนึกปรุงแต่งนั่นเองกรรมที่เราเนี่ยกาอกรรมในสภาพของความเป็นอยู่เกิดขึ้นแก่เจ็บตายทุกอย่ายทั้งหลายเนี่ย มันเป็นกินเลสนะมันทําความรู้สึกให้เราเนี่ยปรุงแต่งปรุงแต่งไปทางตาเจ้าตานี้ก็มีหน้าที่สอดมองนะเขาเรียกว่าสอดส่องสอดแนมทุกอย่างไอ้ไอ้ตาของเราเนี่ยมองซ้ายมองขวามองคนนั้นมองคนนี้มองนั่นมองนี่มองแล้วก็เอามาปรุง แ, ปงแต่งทางใจว่านิ้วแค่ไห น, นนะ่ะคืออะไร ไอ้คนนั้นหลอ่อคนนี้สวยมองว่าอีนั่นไอน้นี่มองด้วยทุรจิตที่เป็นอกุศลก็คือความอิจชาที่สัญญาก็เกิดขึ้นมองแล้วไม่ยินดีพอใจก็โทสั่งก็เกิดขึ้นไอตาเนี่ยไอตาล้ายเนี่ยที่คนโบราณเขาบอกว่าตาล้ายได้ตาดีได้ตาล้ายเสียนี่แหละไอตานี่ก็มีหน้าที่สอดสอง ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสติในการมองพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นก็สัตว์เท่าไว้เห็นท่านลองถามตัวเองดูว่าเห็นคนโน้นเห็นคนนี้เนี่ยคิดกับคนโน้นคิดกับคนนี้เนี่ยเคยเห็นใจตัวเองบ้างไหมเออลองถามที่เราได้เคยมองเห็นใจตัวเองบ้างไหม แต่อยากให้คนอื่นมาเข้าใจเราไอบา้บา้าอีบ้ามึงกมันบา้าปุงแต่งไปเองใครละมาเข้าใจเราได้ถ้าอะไรมาเข้าใจก็เรียกว่าผีมันสิงละเหมือนล่างทรงผีสิงที่ผีมันเข้าร่างมนุษย์มันเข้าไปแฝงใจที่เปลี่ยนกันเป็นคนละคนแล้วแต่พวกเราเนี่ยเปลี่ยนเสมือนกิเลสมันสิง อารมณ์กิเลสทางตาเนี่ยมันสิงคือมองเห็นตาไม่พอในไอ้หูอีกนะไอ้หูนี่มันก็เป็นเรื่องสําคัญหูนี่มองไม่เห็นแต่เจอกแดกแดกเสียงนะกินเสียงหูนี่กินน้ําไม่ได้นะกินข้าวกินน้ําไม่ได้เช่นเดียวกับไอตาเนี่ยไอตาก็กินอะไรไม่ได้กินน้ํากินข้าว กินแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติไม่ได้ไอ้ตาเนี่ยกัไอ ห, หูเนี่ยไอ้หูก็กินด็อกคือตุมหูทวนเข้าไปมันกินเข้าไปในโูหูไม่ได้เพราะมันมีขี้หูเขาอยู่ในรูไอ้หูเนี่ยไอ้ฮอร์ือคือฮอรโอหูเราไม่กาทองแล้วว่าหออะไร อ, อีกฮอรือหือไม่หือไม่อือไอ้หูเนี่ย ไอ้หูเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรฟังเสียงตาก็ไม่มีเขาเลยเขาบอกว่าตากระทูหูกระทาไอ้หูไม่มีตาเสียงได้ยินเขาว่าเนี่ได้ยินแล้วก็เอาไปฟ้องให้ใจเลยไอ้ใจเนี่ยมันก็ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจปรุงแต่งหนินทากาเลยพอใจไม่พอใจก็ทะเลาะ ก, กันกเพราะไอ้หูเนี่ย ไอาตาก็เช่นเดียวกันกินข้าวกินน้านําไม่ได้มีบ้านมีช่องเขาไม่ได้ตาเนี่ยก็เลยดินสอดาๆสีมว่วงสีเขียวไอที่เขาเขียนตาต่อหางไก่ก็คือขนตาแัแหละไอาตาเนี่ยมันก็ไม่ได้บริโภคอะไรบริโภคกินเลยยินดีพอใจอยากไดนนน้นั่นเห็นนั่นเห็นนี่ตัวเองก็ไม่ได้อะไร เกือบเหมือนที่เราคิดปรุงแต่งทุกวันเนี่ยที่เราคิดทุกเลืองทุกลาวท่าจดบันทึกหน้ากลัวจะต้องใหญ่กว่าภูเขาใหญ่กว่าบทหลังนี้ความคิดของเราคิดไปเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรเลยมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยที่เราคิดเนี่ยเนียอสัตว์โลกยอนเป็นใบตามกรรมกรรมมันทำให้เราขมคิดคดเคี้ยววกวนเอาไปนึกไว้ที่ ไอ้ใจไอ้ใจนี่ไม่ได้รับรู้หาอะไรเลยไอ้ใจเนี่ยหัวใจเราเนี่ยพอมันคิดดีใจก็โอ้ยใจเต้นตุบตุบตุบดีใจน้ำตาไหลไอ้ตาก็ยินดีพอใจไอ้หูก็โอยเย็นไปทั้งตัวนะมีความรู้สึกปรุงแต่งว่าออกทางการขอบความดีใจนักปฏิบัติทั้งหลายนักปฏิบัติจะต้องเข้าใจต้องเข้าใจอารมณ์ ในสิงที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าสิ่งสมมุตินะไอ่หูมันก็ไม่มีค่าราคาแพงกลางทั้งวันนะกลางหูขึ้นมาไอ้พวกหอหอเนี่ยมันน่ากลัวนนะหออึอ้ง ห, หอ อ, อ, ห อ, อ, อึหือเนี่ยอึ้งหืออึ้งหือเนี่ยมันน่ากลัวไอ่หูนี่ไม่มีราคาหาอะไรเลยก็อเอาด็อกไปห้อยสมัยนี้ สมัยก่อนจอะหนึ่งลูข้างละลูเพราะมีลูน้อยหูมีแค่สอลูวังหูซ้ายทับลูกหูขวามันก็ <c oughs> ก็ยางดีที่พระพุทธเจ้านั้นบอกว่าได้ยินก็สัตว์แต่ว่าได้ยินไอ้สาคัญเราได้ยินเนี่ยมีความยินดีมีความรู้สึกทำใจพอเกาเช่อจงแม่รู้สึกยินปากเปื้นใจไอ้หูเนี่ยไอ้ลูหูนี่แหละ ตัวสำคัญแต่เราได้ยินแล้วมันไม่ถูกกลูหูนี่ไงไม่ถูกใจแนละ้วโทรสั ก, ก็เกิดแนละ้วไอ้ตาไอ้หูเนี่ยมันไม่ได้เลือกนะตาก็ทูหูก็ทะเนี่ยมาว่างันมีหูก็ไว้ห้อยห้อยด็อกคนสมัยนี้ห้อยหลายลูกมากโลูหูยังเอาไม่อยู่นะขออืึดขือข้อืึดขือเนี่ยตึดอืออึดขือเนี่ย หูอื้อเลยเมื่อมีไอ้ตามีไอ้หูไม่พอสี่แล้วเพิ่มมาอีกสองลอีกไอู้ลจะโมกอีกอ <c oughs> ไอ้โมกเนี่ยไอ้โมกเนี่ยบางคนถึงก็ตัดตูดไป ต, ต่อให้จะโมกโด่งขึ้นมปอีกถ้าจะหายใจสูดสองโลคงไม่พอต้องใส่เครื่องกัเรียกว่าท่อฮดเดอร์เข้าไปอีก โสดลมฟืชด่าดฟืฟดฟ่าดเข้าออกเข้าออกเข้าออกแต่ลมที่มันเกิดปตงแต่งเนี่ยมันเข้าแล้วมันไม่ออกถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาในการคิดหาอุบายหาทางออกนั่นเองถ้ามนันลดี่ไม่มีทางออกเนี่ยโอ้โหน่าควรจะอกแตกตายเพราะหายใจมันรับสภาวะรับภาระเหมือนกับไอทวานหนักเนี่ย ไอท ว, นน ว, วานเบาเนี่ยไอทวานดรืไอทวานเบาเนี่ยไม่ได้ทําหาเลยรับมาละไอปากอันเดียวเนี่ยไอปากเนี่ยยังแค่พูดรูจมูกก่อนหกลูแล้วไอจมูกเนี่ยไอจมูกก็มีหน้าที่คลายของเสียเอาเข้าของดีเข้าไปคลายของเสียไอจมูกเนี่ยมันก็ถ้ามันพูดได้มันก็คงป่นเหมือนกันว่า ไม่รู้มึงจะหายใจเข้าออกไปทำไมเมื่อนคนเกิดมาถ้าเป็นธรรมผู้มีสติปัญญาก็จะเรียบเปรียงความคิดไอ้จ ม, มูกไอ้หายใจเข้าออกเนี่ยมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยหายใจมันเป็นทิ้งไปเฉยเฉยก็เปรียบ เ, ๆๆมเสมือนคนที่เกิดมาเนี่ยไม่มีรู้มูลค่าของชีวิตการเวลาเนี่ยเกิดมาก็าหายใจทิ้งไปเฉย ไม่เกิดประโยชน์เข่าออกเข้าออกได้เสียได้เสียได้เสียไอ้ร่างกายได้ก็คือออ <c oughs> กซิเจนไอ้ออกก็คือคามันไดออกไซด์ไอ้ตา2อลูให้จมูก2อลูไอ้หู2อลูเนี่ยสอสาก็หลูเข้าไปแล้วเฉพาะใบหน้ามึงเนี่ยหลูแล้วเจ็ลูก็คือไอ้ปากนเนี่ยนะโอ้ โ, อโอหไอ้ปากเนี่ยสุดยอดปากคนเราเนี่ยเขามี กระดู32มสี่ก็คือฟันนี่แหละฟัน32มสี่เนี่ ย, 3, 2, นยในปากเราเนี่ยมันจะต้องรับภาระบทขยี้เลี้ยงอาการ32ก็คือตัวมึงนั่นแหละเฉพาะรูหน้ามึงเนีย7รูเข้าไปแล้วภายใน7วันเนี่ยกูไม่รู้ว่ามึงคิดรูไหนบ้างที่หลวงพ่อพูดเนี่ย มึงคิดถึงให้หูไตาให้จมูกไอ้ไอปากไม่เคยคิดไม่เคยคิดถึงใบหน้าตัวเองแต่กลัวเสียหน้าเสียอารมณ์กลัวเสียอารมณ์กลัวเสียหน้ากลัวเสียหน้าเสียตามึงจะไปกลัวทาํามาคนที่กลัวเสียหน้าเสียตาเสียอารมณ์เนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีลูหน้าเนี่ยเจ็ดูเท่ากับเจวันเนี่ยภายในเจวันเนี่ย ไอพาระของลูทั้งเจ็ดมึงเนี่ยทุณหมดแ น, น่ที่มึงสวัสดปามลิงข้าบางชนีอีเห็นช้างมา้าปลากุ้งหอยปูปลาหมูเห็นเป็ดไก่มึงสวัสดปามวัวควายนี่ก็ไปทุกวันทุกวันเนี่ยไอสามสิบสองที่เนี่ยฟันหับฟันบินเนี่ยลำลายขี้เศษน้ำลายเศษอาหารนะโอนละ ไอ้บวดมาน้ำลายขี้เสลกนะัมีใครนิยมบ้างไอ้ปาที่ก็มีน้ำทำลายละลายรสชาติก็คือไอ้ลิกไม่มีกระดู ก, ดกนี่แหละไอ้ปาเนี่ยสำคัญมากมันกินควายได้เป็นตัวตัวก็คือความโง่ก็คือความโลภความอยากได้กอบโกยเอามากินน่ยคนยิ่งกินมาก ทุกวันเนี่ยกินมากอนไร่ก็ตายไวเท่านั้นบางคนตายเพราะความกินไปกินเหล้าไอ้ที่เขาให้กินข้าวดันไปกินเหล้าไอ้ที่ให้มองตัวเองเสือไป ม, มองหน้าคนอื่นเขาก็ฟันหัวต่อยยิงตายก็มีอู้ดีพูดคุยกับครอบครัวให้มันมีความสุขพูดให้มีความหวานดันไปพูดก่อหูเขาไม่ดีเขาก็เลยฆ่าตายก็มีขึ้นลงขึ้นสาน ภายในเจ็ดวันของเราเนี่ยนักปฏิบัติต่างหลายต้อคุณเจ้าเชื่อได้ว่าที่นั่งหรือเนี่ยไม่เคยสำรวจรูตัวเองเลยแต่อยากเล่นรูของคนอื่นแหมเรียกว่าแย่ลงรูไม่เคยเลยคันหูเอาไม้เข้าไปแย่ยังไม่คำนึงอ ย, ยังคิดไม่ออกอีกว่าแมหมรูหูเราเนี่ยมันทา ง, งานมากขนาดนม่วันนี้หูดับกลับไม่หม ภายในเจ็ดวันเนี่ยไม่เคยสำรวจลูตัวเองดันไปเอาให้เจ็ดูเนี่ยไปสำรวจโลกภายนอกหมดความคิดี่ไม่ได้อยู่กับตัวเองแล้วเริ่มชักโยงไปไกลสุดหูสุดตาเขาเรียกว่มมาไกลสุดหูสุดตาก็คือความคิดนั่นเองความบริสุทธิ์ที่เราไม่เคยลังเลสงสัยนักปฏิบัติ ต่านก็เริ่มลังเลสงสัยคนอื่นแต่ไม่ได้สงสัยรูตัวเองไอคนอื่นเขาแคหวังว่าจะเล่นลูเราเหมือนกันเล่นช่องเรานะได้ช่องหรือมีช่องอะไรกูก็เสียบมานั้นนะได้ช่องเ็าหมายถึงว่าไปรับปากรับปากคำพูดได้ยินได้ทำหลักฐานตามองเห็นหูได้ยินไปรับปากเขาเลยปากมึงมันคมอยู่แล้วไม่ต้องไปรับใครหรอก คมยิ่งกว่ามิดโกนีกนะปากเรานี่แหละมันมีน้ําทําลายอยู่ไอ้ลิ้นไม่มีกระดูกเนี่ยมันเชื่อได้ที่ไหนมันไม่มีใครบ้างกินแล้วลิ้นดุนออกดุนออกดุนออ ก, ออกไอ้ลิ้นเนี่ยมันมีหน้าที่สวัสดสวียงยัดก่อเข้าคออย่างเดียวยัดเข้าไปอย่างเดียวไอ้ลิ้นเนี่ยลิ้นเนีมันไม่มีกระดูกก็เหมือนความคิดของเราเนี่ยปากที่พูดออกไปเนี่ย มันไม่มีรสชาติของความคิดนักปฏิบัติก็ไม่เคยมองททวานของตัวเองเจ็ดร mm. ูนี่คือทวานเรียกว่ารูทวานรูหนักเป็นรูที่8นะก็คือรูตูดของเองนั่นแหละพูดกันหยับๆยารูหนักรูเบาก็รูเบาตั้งชื่อดูดีว่ารูเบา รูเบามันเบาที่ไหนเจ็ดคนแปดคนผัวเมียแต่งงานกันกว่าจะตายได้ก็น่าจะเป็นคันรถพ่วงรถไฟลาดยังคิดกระดาษไม่สุดหางว่าข้ามทะเลยังไม่รู้เลยว่าหลับนอนกับผัวกับเมียเป็นเท่าไหรนะ่การหลับนอนในการมาตันหาราคะเนี่ยมันเบาไหมล่ะ ไอ้ผู้ชายกินอาหารเข้าไปอย่างดีผู้หญิงกินอาหารอย่างดีก็ไปลวกประเวณีก็หมดเรื่องหมดแรงก็นอนว่างแหง้งแห้งแล้วแถมปั้นน้ําเป็นตัวอีกตัวเองก็ไม่ค่อยจะรอดไม่เคยสํารวจรูดัเ บ, บิ้าร์รูคนอื่นเข้าก็าปั้นน้ําเป็นตัวก็มีลูกมีหลานเมื่อมีลูกมีหลานก็เนี่ยแบกหามกินไปลากจูง เรื่องมา20ปี30ปี40ปีบางคนก็ยังตอบแทนบุญคุณไม่ได้เหมือนพ่อแม่ของแ ก, กชะลาตายไปให้ลูกที่เกิดไปว่าเอาสมบัติไปเขาเรียกว่าสมบัติผัดกันชมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็ต้องกาศกรรมตามเหมือนตูย่าตายายมีผัวมีเมียพี่เอาใครมาทําผัวทําเมียก็ยังไม่สรางไม่รู้ที่มาที่ไปว่าใครจะเป็นผัวเป็นเมียเรา แต่ปุปกรรมในกรรมมันเป็นเครื่องจักนจูงต้องเจอะเจอกันเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยไอปลาเนี่ยมันสแสวงหากัดกินไอลิ้นเนี่ยมันกอกโกยโกยอย่างเดียวโกยเข้าไปไอกระเพาะไอไส่อตับไอ ม, าม้าไอปอดเนี่ยถ้ามันโวยได้ผมว่ามันโวยแล้วก็เป็นท่านใครมาเบียดเบียนท่านโดยที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเนี่ย คงจะโวยแนละเมื่อมันโวยไม่ได้มันก็ทํา ง, งานตลอดวันตลอดคืนตลอดปีเนี่ยมันก็เกิดความเสื่อมเรียงว่าอันที่จังเป็นของไม่เที่ยงก็คือแกช่ชรามันก็เสื่อมลงของอะไรที่เสื่อมเนี่ยมันก็เป็นโทษ ท, ทันทีคนที่ความคิดเสื่อมตาเสื่อมความคิดเสื่อมหูเสื่อมเนี่ย <c oughs> เสื่อมจากความดีเนี่ยมันก็ มีโทษมีทันในสิ่งที่ไม่ดีปรากฏในชีวิตเพราะนั้นเราต้องนั่งปฏิบัติต้องตรวจดูแลรักษาทําความสะอาดรูเราให้ดีอย่าให้เป็นรูรั่วมีรูมีช่องแล้วก็ให้มแมลงมันเข้ามาให้สิ่งสกปรกโสโครกก็คือกิเลสตัณหาราคะความโลภโกรธหลงเนี่ยมันเข้ามาทะลุทะลวงถึงหัวใจถึงความรู้สึก เมื่อถึงความรู้สึกถึงหัวใจเนี่ยเรียกว่าจิตใต้สำนึกมันก็นึกคิดปรุงแต่งโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่ารูของเราในไม่เด็ดสำรวจสกปกเอาแต่เรื่องสกปกโสโครเพราะว่าเราไม่มีสติสติคือความรู้ตัวเหมือนในขณะเนี่ยปัญญาก็คือความรู้เท่าทันในกองสังขารเมื่อเรารู้เท่าทันทางความสา ร, รูทั้ง9้า่เนี่ย เราเรียกว่าถาวรทั้งเก้าเขายังสร้างพักปิดถาวายังปิดไม่ไหวเว้มึงห้อยถาวรมึนมีทั้งเก้ารูห้องพารุ่นปิดถาวรกูว่ามึงเปิดอย่างนี้ดีกว่าถ้าปิดกูว่ามันจะแย่นะปิดยังไงก็ไม่อยูหรอกปิดความรู้สึกการนึกคิดปรุงแต่เนี่ยเหมือนความรับในโลกเนียมันปิดไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย หลวงพ่อต้องขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลที่โยมได้อุตสาห์บำเพ็ญเพียรความรู้สึกที่เป็นกุศลก็คือไม่มีความโรคโกรธหลนในการภาวนาในวันนี้เดี๋ยวหลุดออกจากนี้ท่านก็เริ่มปรุงแต่งตามวาละอารมณ์เฮ้ยมึงมาจากไหนอ้าวมึงมาเมื่ อ, อไรมึงมาลบอะไรมึงกินข้าวหรื อ, อยังโอ้โหโอกองหิยัญบานเลยรู้หุนเลย พราะนั้นเราพยายามปิดกั้นอุเบกขาคือความอดทนอดกั้นวางเฉยบ้างนะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นทําเป็นเฉยตรวจสอบสอบซองดูใจของตัวเองดูลูอ่ะเห็นตาหูปากนิ้นตะวันหนักตะวันเบาถ้าเรารู้จักปิดกั้นตะวันหนักตะวันเก่า ก็คือไม่กินมากมันก็ไม่ถ่ายมากไม่คิดมากมันก็ไม่พุ่งสร้างมากนั่นเองอ้ทวานหนักอิทวานเบาเนี่ยถ้า้อาไม่เป็นเศษมันมันไมอ่อะไรมากมายมันก็ไม่ต้องมาทนทนทุกข์ทรมานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากมายในขนาดนี้คนที่ไม่ได้เสด็จสอนสอนสอนแสวงหาในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองก็มีแต่ปัญหามีเรื่องสรุป ง, ง่งายง่าย เมื่อเราปิดประตูนรกก็คือไอ้ก้าวรู้นี่แหละจะทำให้ชีวิตเราก้าวห น, น้าแต่ถ้าเราไม่ปิดไอ้ก้าวรู้ได้กิเลส ก, ก็ก้าสู่สภาวะไอ้รู้ทั้งก้าวของมึงเนี่ยอิ่มหมีพิมันเลยเข้าไปในสภาวะในจินตได้จำนึกก็เป็นปราสาทพระราชวังแลยังมีเจ้าอยู่ได้บ้างแต่ถ้ามีปราสาทนะปราสาทก็คือ คนที่ไม่มีสติแล้วเมื่อเราเป็นประสาทมันก็ปรุงแต่งนึกคิดทำให้เราเกิดความเศร้าหอมองของใจเอาละก็ไม่ขอรบกวนเวลามากมายนะักก็ขอโมทนาในเวลาที่ขึ้นสวรรค์บางคนก็น่าจะถอดจิตหลับไปแล้วเหลือต่กายงมงมกุกงงมุก ก็อขอโนบูนามีนคับเอาไปฝึกเอาไีคิดนะโยมนะเอาไปคิดนะชีวิตจะก้าวหน้าต้องปิดไอ้รูทั้งก้าวในไอ้ได้ต้องคิดให้จำนานเลยว่ามันมีก้าวรูเออไปวัดอิติมาได้ก้าวรูไว้ฮะไอ้้งหน้าเนี่ยเจ็บรูเข้ามาแล้วเจ็ดวันเนี่ยละมึงต้องหลวจ ใบหน้าเมื่อไงรูที่มันที่เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยที่โดยพ่อบอกเนี่ยรับรองว่าใจไม่เศร้าหมองแน่หรืถ้าเกิดเปิดทั้งเจ็ดวันเนี่ยเจ็บรูนี่เปิดตลอดเลยไมีอุดซักรู้เลยเนี่ยโยนมันป้นเจ็ดวันเนี่ยมีทสมบัติอะไรก็ขนไม่หมดเข้ามากกว่าออเพราะนั้นคนที่ ม, มาภาวนาเนี่ย ต้องมีทางออกก็คือใช้สติปัญญานั่นเองพระพุทเจ้าก็เช่นเดียวกันสัย์ยันช่วยไม่ได้จาักเขียววันแก่เวดตายข้างถนนเต็มหมดสับยันเดินไม่เติสองซอยโดนยันแล้วนี่สักยันมาลบฟันนเราไม่เหนียวไหตายว่าศสักยันียหลอดพยันก็มีเพราะฉะนั้น ทวันทั้งเก้าครับคิดให้ดีนั่งปฏิบัตินั่งพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพรรษาเนี่ยโชคดีจะได้เรียนวิปัสสนากับหลวงพ่อจ้าวมาเขาจะเรีฟังธรรมะเฮี้ยหน่อยก็ไม่ตื่นเร็วซามหน่อยก็ขาดทำวัดถท้าก่อนอ่็ประวัยได้อีอะไรแล้วก็นื้อก็เป็นพักเฮี้ยสวดมนต์ก็หลับภาวนาก็หลับ เขลงไปเป็นทับบานหมดยังหลับอยู่ในโบสถ์ก็มีโยมมามากู้พระหลักทำไมไม่ปลุกโยมจะตาปลุนะพระท่านถอดจิตไปแล้วไมนรู้ตัวเลยหลับโยมก็นึกว่าหลวงพ่อพูดจริงรอกันเต็มกระไดเลยถ้าพะระองค์นี้จิตกลับมาวันไลา่ลาบาทกันใหญ่เลยนึกว่าปฏิบัติถึงขั้นถอดจิตได้ ถอดจิตเี่อะไรโกลวา่ากว้างเลยนนี่มันถอดสังขารออกไปไม่ได้ตัวเหี้ยคาง น, นี่มีนึกเหนือ่อยนั่นเป็นเรื่องสำคัญนักปฏิบัติยังไม่รู้หน้าตัวเองเจ็บรู้ไปวัดไหนมาวัดจริงิงได้ไปก้าวเลยแต่มันเรื่องจริงสับจิตรู้ได้แต่กาวหนาจิที่สองรู้ได้ไม่ใช่กานนึกว่าคน ก็คือ那个